นะฮะอืม <c oughs> ตามกันตีข้องไม่ดังตีละครั้งไม่มวนแล้วแล้วอยจะมีเสียงเจ็ดสิบปีตีปคุวีมากองตีข้องเบาดังตีละครั้งเบามวน ตีข้องก็ค่อยจะดังนะสุโกโตแนวะแต่ก่อนข้องสุโกโตดังถึงบ้านหนองช่างเอกน่นมีแถวอำเภอเชงข้อนะตีข้องตอนเช้าธราวัดเช้านะ่ะมีสองวัดคือสุโกโตและวัดผูขอทองทองน้องน้นกนนาก็ค่อ ย, ยินมียินป่าป่าไปไปนะลายตีดังๆสักหน่อย อย่ผู้หูหนวกว่างตีข้องไม่แค่ตอกมันกอกเพดนะตปอย่างเดลไปเรื่อยๆตวยตอ ย, ต ย, ตย <c oughs> ไปอย่างเดิ้ยไอนี้ใค่ละเอียดในวัดก็มันค่ละเอียดในถ้ามันมีเวลาไม่มีนาฬิ ก, กาเน่ะมาไวถูก อ่านเตียงแรงอย่าไปเตะเหมือนกองเตยพุทธองสออาจารย์มธรรมมังสองาจารย์มสังขังสองาจารย์ตยพุทธองสอาจารย์มธรรมมังสงาจารย์ก็พุทธทงธรรมมังสังหมดเสียงคลองก็อ่อนลงไปดอีก ถ้าจะจบตัวตัวตัวไม่ใช่ตุ่มตุ่มตุ่เหมือนกองเพนกองเพนก็ตียังไงก็ทยอยเป็นแน่น้อยตุ่มแม่บมมาให้โรคมาตุงแม่บมมาให้โรคมาแล้วมาเพนแล้วอาจาร ไอเนี่ยน้อยใครตีกองเพลนวันเนี้ยทำไมมีคนมามากไปเกินผมครับเออดีดีดคือว่าไงแม่ผมมาให้โรคมาไม่ได้ว่าพ่อเลยนะพ่อผมมาให้โรกมาไม่ค่อยมีมีแต่แม่ไปมาขอให้โรคมาห้เป็นบนุญเป็นกุศลใจดีๆทำอะไร <c oughs> จะอย่างไงพวกเราสัตว์โลกเกิดมาร่วมโลกนะเกี่ยวกับหลายหลายอย่างที่อยู่ล่วมกันในโลกนี้เราก็เป็นอีกสัตว์ประเภทหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้มีสติมีปัญญาจะอยู่ด้วยกันนี้มีความสงบสุขสันติภาพ ก็มีศีนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นสินข้อที่หนึ่งสงสารตัวเองสองสารคนอื่นอย่าเบียดเบียนการสิ น, นข้อที่สองก็เหมือนกันอย่า รักขโมโอยของกันสงสารกันถ้าทําให้เขาเป็นทุกข์เขาก็ทุกข์อย่าไปรักไปขโมโอ้ยไปเฉินเหมือนกันเรียกว่าสงสารอย่าเบียดเบียนการจิตข้อที่สามข้เหมือนกันคือสองสารกันอย่าโลภในโลภลดจิตเฉียงเกินไปเอาของอื่นมาเป็นของของตน ยินดีในตาหูจมูกเล่นกายใจในโลกเราจินเสียงจนไม่รู้จักพอหัวเดียวเมเดียวถ้า ต, ตายจากกันแล้วก็ต้องเอาอีกนะพ่อทายกนะ <c oughs> มีคนเดียวเท่านี้เนี่ยคือข้อที่สามก็คือสีนั่นแหละรักเดียวใจเดียว เขีนข้อใดสี่ก็ไม่โกหกหมดเทศสงสารการอย่าหลอกลวงการให้เป็น ท, ที่แสดงไปทางวาจาให้เป็นสมานฉันอย่าไปพูดไม่ได้เรื่องดีว่า อเสอบผู้กัมหยาพูดเพื่อเจอไม่ค่อยไรเรื่องฟังไม่พระหูสงสารกันทุกคนต้องการของมถูกต้อง พ, พูดเพื่อเจอไปพูดยังไงมาแต่สายมาแต่ทั้งหลังที่ไปสายจีไปทั้งหนาไม่ลรเรื่องไรเรื่องไหม มาแต่สายมาแต่ไหนไมาแต่ข้างหลังจะไปไหนจะไปข้างหน้าไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเท่าเพื่อเจอฝนตกฝนตกแขงเหรอบวยปั่มเบิง้งไม่เคยเลยไม่ค่อยได้เรื่องอย่าไปพูดอะไรที่ไม่ค่อยรด้เรื่องให้เป็นเปียวหวาจ่าชัดเจนถูกเป็นถูกไปเป็นผิด สงสารก่อนไม่เสียเวลาข้อที่ห้าก็อย่าเปลี่ยนตอนสงสารต น, อ, ร อ, นอย่ายินเล่ามอยาโมเมาอะไรที่ไม่ดีทั้งนั้นข้อที่หกข้อที่สิบั้องบอก็คือสงสารก่อนไม่บเปลี่ยนตนเองน อ, อกจากเราเกี่ยวข้องกับกันแล้วกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นในโลกนี้ เราเกิดมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอยู่ด่วยกันตั้งแต่เกิดจนตายนอกจากอยู่ร่วมกันกับสัตว์อื่นสิ่งอก่นวัตถุอื่นแล้วชีวิตเรายังมีส่วนตัวอยู่ต้องเกิดต้องเกิดต้องเก็บ ต, ต้องตายจะจะเอายังไงดีเรื่องนี้เป็นทุกข์เป็นโทษไหม จะมีความโกรธควาโลกควาหลงเป็นส่วนตัวจะจัดการกับตัวยังไงแต่เมื่อไหรจะทําให้หมดปัญหาเรื่องนี้สักทีหลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกเอกโกรธเล้วโกรธเอกหร้องให้แล้วจิตใจพูแพร่แพรเมื่อไหรจะได้มาตรฐานของเชิญของว่าอันนี้เป็นส่วนตัว เป็เรื่องส่วนตัวของเราอีกนั่นแหละนอกจากเราอยู่ส่วนลมให้เกิดสันติภาพแล้วก็มาทําส่วนตัวให้มันเป็นส่วนตัวเก่งๆถ้าเกิดจนตายเนี่ยจะเอาอยัางไงเรื่องนี้อย่าทอดทุเลามารับผิดชอบมาดูแล อะไรที่แล้วไม่ดีแก้ไขใดที่มันดีควรจะทำให้มันทำสำเร็จได้ในชีวิตนี้เกี่ยวกับรูปธรรมเกี่ยวกับนามธรรมให้พอที่ยกมือไหว้ตัวเองได้บ้างนี่เป็นสําเป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องสําคัญนี้ก็เรื่องาศาสนาเรื่องอยู่ร่วมกันนั้น ประเทศไหนก็ต้องการอยู่ด้วยความสันติสุขก็เป็นศาสนาของส่วนรวม ส, วส่วนตนัวตนตนนั้นคือส่วนตัวของใครของมนันเรื่องศาสนาคือเรื่องกายเรื่องใจนี้นอกอยากมีศีลมีธรรมแล้วยังไม่พอ รับความช่วยได้ทาความดีได้แต่ยังไม่พอต้องไปช่วยคนอื่นให้เขาร้วความช่วยเขาทำบุญได้อีกเอาประโยชน์ตนอย่างเดียวไม่เพียงพอถ้าเราดีคนเดียวอยู่ในโลกลาบากต้องชวนกันดีนอกจากชวนันดีแล้ว <c oughs> ดีให้ต้องมาตรฐานจงเส้นหงวาง อ่ะมันทำร้ายมันสัตว์ประเสริฐคนเราเนี่มนุษย์นี้ยเป็นสัตว์ประเสริฐจิตโสมนุษย์จตีลาโพการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบเันประเสริฐเนี่ยต่อการทําเรื่องให้จบไปเช่นเรื่องเกิดเจ็บเจบตายเนี่ยไม่มีวิธีอืน่นใดนอกจากคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นที่จะดี เป็นหลักมาตรฐานที่สุดไม่ต้องไปหาเรียนที่โลกไหนประเทศใดมานะปฏิบัติแบบนี้แหละเป็นสากลของทุกทุกทุกคนทุกคนมีกายมีใจเดี๋ยวนี้ยังขาดแขนต้องรับผิดชอบ กันและการพอเที่แบ่งกันอะไรแนะนํนากันได้ก็ช่วยกันหลงตาก็เลยรับแตกจากสหรัฐอเมริกาเขาอยากให้ไปสอนที่ น, นั่นเขาก็พูดออกหน้าหลงพ่อแก่แล้ว ถึงว่าเป็นโลกคมะเล็งก็ยังสอนได้อยู่เราพูดอยู่นี่เขาก็ได้ยินอยู่เพราะมีคนส่งเรื่องนี่ไปเจอนี้ชมชนเรารุมน้ำลำบาเทาจัดโนดจัดต้นหัวสร้างสถานีวิทยุชมชนขึ้นมารับแปลกรับอะไรได้ เดี๋ยวนี้โลกมันแค่ใบม้กขามแคบแคบเราอยู่ที่ไหนเราทำไรเขาก็รู้อยู่ต้องการให้เราไปให้ไปไปีหนึ่งประมาณหกเจ็ดเดือนอย่างน้อยถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ไปนานๆยิ่งดีเดี๋ยวหาล่ามมา เองแล้วให้มีคนไปช่วยด้วยหลวงพ่อจะให้คนมาช่วยใครสอนได้ให้หลวงพ่อนำมาเราก็ก็เห็นคิดเห็นส่วนนี้ก็ยังก็ยังรับผิดชอบอยากสอนเหมือนกันก็มั่นใจ ชีวิตเราก็มีกายมีใจเท่านี้มีสติเท่านี้ไม่มีวิชาอื่นตามหลักพระพุทธเจ้าของเราเน่ะกายานุฒจนาเข้าไปเลยมีสติเห็นกายเข้าไปวัดสุขกโตก็ไปได้หลายลารูปหาล่าม ไม่ดีซะจะไปเริ่มต้นให้สักสองสมวันเราจะกลับมาแล้วก็ยอมให้ให้ใ ห, ให้เริ่มต้นให้ให้พระที่สอนได้อยู่ที่นั่นกับล่ามแต่ไปแต่ละกังให้ล่ามเดินทางไปก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดือนเมื่อกลับมาแล้วให้ล่ามกลับมาที่หลังพอได้ชุจะสลุการจะเอาใจต่อไป สุโกโตนี่มีพระหนุ่มๆ ม, มีพลังมากพอที่จะทำงานนายยี่ได้โยมดเราต้องมารับรู้เรื่องนี้ด้วยร่วมกันนอกจากอยู่กันแล้วด้วยมีศีลเพื่อความ ส, สงบร่วมกันแล้วยังมีส่วนตัวส่วนรวม ที่เป็นส่วนตัวของเขาส่วนตัวของเราแล้วเป็นทุละบ้างจึงมีวิธีนี่แหละใครก็ได้ฮะอย่าคิดว่าเราคนเดียวแล้วเรื่องแน่สอนเรามีสติเราคนหนาหนึ่งจากเรามีสติมันก็เป็นสองเลยไปถ้ามันถูกต้องแล้วมัน น, นก็วอยู่ที่เดียวดอกชีวิตของคนเราเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีอุกรนเกี่ยวข้องมีพ่อมีแม่ญาติพี่น้องติดปัญญาสามีก็มีผลก็ทบแน่นอนจากเราคนหนังเนี่ยชีวิตเราคนหนังเนี่ยที่ได้รูปได้นามมาเนี่ย <c oughs> ในเรื่องเล็กน้อยเรื่องยิ่งใหญ่มาก ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้ก็เป็นภาระต่อโลกทำไมโลกเดือดร้อนทาคนอื่นเดือดร้อนด้วยถ้าเราศึกษาดีก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราจะเอาชีวิตส่วนตัวอย่างเดียวเดินหนังงองงองแบบเป็นธุระสักหน่อย อะไรก็ชิดทําอะไรก็คิดทําสักหน่อยอย่าไปวล่อยปละละเลยบางทีหลวงตานอนอยู่วัดเนี่ยยังเห็นถองขยะอยู่หน้าผาม่วานตั้งใจวันนี้จะไปเผาขยะหน้าผาจะไปชวนวัดโพกเขาทองพระวัดโพกเขาทองไปเผาขยะแต่เมื่อวานฝนตกลงมาพอดีมันเปียกเผาไม่ได้ขยะไอ ก, กองหนึ่งก็อยูุ่้่ป่อศัก ฝังลังาะทาวทางทิศตะวันตกก็ว่าถ้าไปหวานทั้งหมดไปทึ่งที่นั่นตนานะเป็นบ้านใหญ่ยังไม่มีใครรับไิดชอบถ้าเราจะไปบอกเราไม่ยอมอะไรก็ไม่ไม่ควรอย่างเอาว่าคนแก่ก่าโวหารใช่ไหมไม่มีใครเชื่อถือ <laughs> กันแจก่าหารกันอ้วนขายยาผอมคนผอมขายยาอ้วนมันไม่ค่อยมีคนเชื่อถือบางทีก็ไม่ต้องพูด <c oughs> แต่มันก็ทำไม่ได้นะอยากได้หลงขยะถ้าสุกโตเนีรับผิดชอบนะทีนี่ไม่เป็นพระโตใคร ลรงทางเ็เจ็บขยะขายได้เจี่ยวแล้วสองพันกว่าถ้าเราพันกว่าถ้าใครเป็นอาสาสมัครงานแยกขยะโรงงานจานจาาน์จานนดเช่างานจานทุ่มด้ยวเยเท่าก็ได้จากน้อยก็ได้อาสาสมัครเลือกขยะไม่ใช่เล็กน้อยนะต่อไปถ้าอาสาสมัครมาก จะติดรถอิติกเกิดรถเจ็บขยะอำเภอแจ้งข้อไปขอเจ็บขยะจากเทศบาลเขาเหมือนกับเพฤฤฤื่อมาไต้หวันเขาขอรัฐบาลแบ่งกันคนละครึ่งรัฐบาลเจ็บสี่วันมูลนิธิของสี่ชื่อเจ็บสามวันอาสาสมัครไม่ต้องจ้าง อาจจะตีละล่านสองล้านขยะอย่างเดียวนะถ้อนำมาแช่เล็กน้อยนะอาจจะผ้านุ่งผ้าห่มนี่อาจจะเป็นขยะก็ได้ถ้าเห็นเลยมันควรจะทิ้งเอามาทิ้งสุโกโตก็ได้นะชาวบ้านนะได้ไปเสทหารก็ใส่ไรไถนาของท่านนะยาวมาทิ้งที่นี่เป็นประโยชน์เป็นปุ๋ย มีประโยชน์นะอย่ามองอะไรเป็นโทษทั้งหมดถ้าทำให้ดีถ้าทำามดีก็เป็นโทษในตัวเราก็มีประโยชน์ถ้าทำถูกต้องในตัวเราก็มีโทษถ้าทำผิดพลาดทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะ ม, นงมีสติเป็นเจ้าของกจจายมีสติเป็นเจ้าของจิตใจอย่าปล่อยปละละเลย ดูเลให้ดีๆแล้วก็ไม่มีมากกายวาจาใจเท่านี้สามปลายสามปลายปลายวาจาปลายกายปลายใจตักษาสามปลายหายสามโทษมีสติอันเดียวดูแลได้ดูแลกายได้ดูแลวาจาได้ดูแลใจได้ ถ้าขาดสติก็ก็จูกระจายหมดดีวิตเรามันก็มีช่องแคบมีช่องโลปิดไม่ได้ถ้าทำให้ถูกนักกรรมฐานเขาพูดว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกับจับมดแดงไต่กระดง้งจับปูใส่กระดกปูออมาเท ใส่ออกจากข้องใส่กระดง้งปูก็วิ่งออกกระดง้งจับปูใส่ตัวอื่นออกตัวก่อออกตับใจไม่จบไม่สิน้นไม่เป็นเช่นนั้นปฏิบัติธรรมง่ายนี่สติอันเดียวปูจะมีเท่าไหร่ก็อยู่ใรงกระด้งหมดมันไปทางไหนรู้มันจะออกไปทางไหนรู้ แต่ทางตาก็รู้หู ก, ก็รู้จมูกเล่นกายใจรู้หมดรอบรู้เรียกว่าสติกันหด้าลอบที่ยิงเจ็กปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยมันเป็นโกเป็นกรรมขึ้นมาจมนหน้ามันรวมหลงใช่มีความทุกข์ก็สมน้าความทุกข์เกิดขึ้นเลยเปลี่ยนเป็นรู้ได้ อะไรก็ตามในกายในใจเราแน่เปลี่ยนเป็นรู้ระไทั้งหมดก็หัดตนสอนตนนะถ้าไม่หัดก็เป็นหลงเลยไปหลงก็ขายายไปเยอะแยะไปมนลอยจนเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดโครคภัยไข้เจ็บเป็นปัญหา <c oughs> อัตตาบางซชื่อยาเจ้ ปวดจัางเดียวหมดเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเพราะคนไม่รู้จักรักษาตัวเองห <c oughs> ลังที่รัวัดท่านไานเหมือนเราไม่รู้จีหมื่นจีแสนล้านจังยังไม่ยังไม่ดีเพิ่งจะดีขึ้นมาเบาวางลง แต่มาณร2 3สองสามเดือนก็หายบัตรพันใหม่แต่ต้องหลายโลกประเทศทั่วโลกช่วยกันอะไรมังคุกขามชีวิตของสัตว์โลกเพราะธรรมาชาติถูกทำลายความร้อนก็เพิ่มขึ้นเมื่อมีความร้อนเพิ่มขึ้นความหนาวก็ต้องเพิ่มขึ้นตามมาอากาศแปรีพลนก็มีอากาศแปรีพวนขึ้น เช่ราจุดไฟเผาป่าเวลาจุดไฟมันเป็นคาร์บอนไม่ใช่ออกซิเจนควันไฟเกิดขึ้นเมื่อมีควันไฟเกิดขึ้นอากาศก็เป็นหลุมคาร้อนกับออกซิเจนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คาร์บอนก็บังคับออกซิเจนหนีเมื่ออากาศออกซิเจนหนีมันก็พัดเข้ามาใหม่ มันหวั่นไหวเหมือนเราตักน้ําในองค์ออกแกยวเด่งน้ําก็หวั่นไหวมันต้องออกมาถมของเก่าว่าให้มันเป็นหลุมอากาศเป็นหลุมก็ไม่ได้ต้องถมน้ำเป็นหลุมไม่ได้มันต้องถมเข า, เ, ขาเกิดการหวั่นไหวแตกพวนจนเกิดพายุสิบีนาพัดพาประเทศ หลายประเทศลายกันเท่าไหร่เรืลอลาใหญ่เท่าสลาเนี่ยเกยฝั่งมันพัดไปน้องดาไปเห็นบ้านเรืนอนเลยรคิบหายหมดเหมือ น, นกับอากาศมันแต่ปวนกวามร้อนสูงขึ้นความหนาวสูงขึ้นพัดอากาศต้าขึ้นข้ารองข้าผ่าเกิดขึ้นภาษาเราอะไรวิตนิดเดียว ไปสู้กับภัยอยนะ้อะเป็นฝีมือของเราเนะี่ยถ้าเรามาดูแลตัวเราดีมันจะค่อยดีไปเช่นเราสู้สุขกโตเน่ยจนป่านนี้เพิ่งจะไม่ได้ดับไฟป่าแต่ก่อนหน้าแรงตีละครั้งแฝงแงอยู่ดับไฟป่าแมนบอกพ่อผูญญ้ใหญ่อ่า <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่มีหลายครั้งดับไฟป่าหลายครั้งดับไฟป่าไม่เหมือนหลายครั้งไปเป็นท่าบาทนะเคยได้เย็นไหมสมัยนู้นไม่ค่อยได้เย็นหลายปีมาแล้วนะแต่ก่อนได้ยินบ่อยแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแปงดวดที่สุดสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เย็นแล้วเงียบแล้วเราก็สู้เพราะอะไรเพราะฝีมือของเราไม่รเบียดชอบ เดี๋ยวนี้นก็รับผิดชอบร่มกันแล้วขอาห น, น้าชื่นใจที่มีป่ายังเหลืออยู่ที่นี่คงเชินคงว่าให้ถูกทำลายทำลายไปบ้างคืนมาใหม่อาจจะดีกว่วเก่าโดยซั่งไปอีกส0สปีข้างหน้าต้นยางต้นตะเคียนอะไรที่ปลูกไว้นะ เ็นแสนแส น, แสนต้นดอกไม้ก็เยอะไม่ดอกไม่ผลอีกสาม้าปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าท้าไปจะเป็นเป็นหลายร้อยหลายพันต้นกินไม่ไหวน่อกไผ่ไผเข้าหลามจานตุ้มมาปลกกินไม่ไหวเขาบอกว่ า, าต่อไปสุกโตจะ ตาข้าหลามกินได้แต่เนี่ยขาหลามหมดไปจากโลกแล้วเหลืออยู่แต่ก่อนก็มีอยู่โจโก้โจโก้รู้จักบ้าโจโก้มหาวันผู้หลงไผ่ไม่เปาะที่ยไอ้เพลผู้เขียวเนะ่ยขายไผ่ผู้หลงดิ่งกันไม่เข้าหลามแต่เนี่ยไม่มีแล้ว นี่เจ้าคนมาตัดหมดหมดไปตั้งภูหนึ่งเดี๋ยวนี้ใครจะรู้เลยแล้วเนี่ยกานไม่มีเลยเก็บหายไปแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วแต่อยากจะชวนจารย์ตุ้มไปเอาอีกสักเที่ยวอยู่เอารถอีติก๊กเอะรถอีเขาวไว้ทุกขอาอาจารย์ตุ้มไม่รู้ไปเสาะหาที่ไหนไปหูยักษ์อาจารย์ทวดเมืองแพร่เนาะ ไอ้เอาไปเอามาแล้วเป็นรดนรดบ้านแล้มาปูกไอ้ลูกหลานเขาหรอกพอมีอยู่มีกินตามดีไว้ให้ลูกทําถูกไว้เผื่อหลานบ้างชีวิตเรามาใช่แค่นี้ไม่อีกเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราอยู่ที่นี่ร่มน้ําลําบาเท้าเนี่ยจะต้องดูแลร่วมกันคนในบ้านต้องรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวรัก ที่นี่มากขอนตาก็องอยู่ที่นี่หลายปีแล้วแม่นบ <c oughs> อกยังจะตายแล้วอ่าอยอยู่ที่นี่อ้อนก็ลังเกียดขเขาไล่หนีจากวัดก็ <c oughs> อไปมาก็มันกำเรียนเลยเขาอยู่เนี่ย่ะไปบอกนัเพื่อนฟังโอ้ยลำบากนะสุก็โตแนวหน้าไปบ่ามาหยุดมาอยอน เจอหน้าน้าก็น้ำท่วมหน้าแล้งก็ไปไม่ป่าไปช่วยด้วยที่พระทั้งหลายท่านนอนอยู่เฉยเฉยเนี่ยไปบ่นให้เพื่อนฟังใครก็ด่าเอาอันละโยนไข่ตกที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั่นแหละใช่ไหมจะโยนไข่ไหมฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าฮะอาเซียนเลยจักโยนไข่ไหม เวลาจะเอาหลงไปเผาศพเอาศพไปเผาเขาโยนไข่ใช <Yeah. S 1> ่ไหมถ้าไข่แตกตอนนั้นก็ฝังตอนนั้นเลยน้องจ้าโยนไข่มันแตกที่นี่ก็เลยฝังที่นี่เลยอ๋อยอมยอมรับมันเยนไข่ตกที่นั่นแล้วโอ้ฝังที่นี่นี่แน่นอนเนาะก็จะได้ฝังแล้วแต่ไม่ก็ฝังเราแต่จะฝังเราสองปีก่อน เดีย๋ยวนี้ก็สบายกวัวเพื่อนทั้งหลายเคยนี่นอนตื่นทั้งแต่ห้าทุ่ไปแตตลาดมาก็นอนหัวค่ำพอหลวงพ่อนอนพอหลวงพ่อตื่นอาจันทร์ทุ่มมึงนอนมันก็ถ้าเราจะลุกเราก็ไม่ได้ถ้านอนตื่นห้าทุ่มตอนแกนอนแต่หัวค่ำปืนดึกนะ ถ้านั้นก็อย่ามาถือสาคนแก่สบายที่สุดแล้วตอนนี้อาศัยอาศัยโยมชาวบ้านอะไรก็ไม่อาศัยกันได้เนี่ยเราจะต้องไปทำารวมชั่วยังไงต้องสารกันไม่เบีเ่ยเบียนกันแล้วกันจึงอื่นวัตถุอื่นพอที่จะให้มันอยู่ที่ได้ ที่นี่จะมีธรรมญาติตายเองเดินล่มน่มลำบะเท้าน่ะรักษาที่นี่ที่อื่นเราก็ไม่ได้โย่เอาช่วยก็โดยรักษาที่ให้มันอยู่ตลอดไปเนี่ยมันจากเราไปหลายอย่างแล้วต้นไม้ก็จากเราไปหลายหลยหลายต้นแล้วเอาไม่ขึ้นเลยสูญพันไปแล้วยัยงไม่ทราบเนี่ย แต่ก่อนว่าเราน่เตะไปเลยแม่นบอ่ออยลมเนยหล่นลงมาหักเจี๋ยฝอยลมตามบ่าได้เป็นหงอกไปขายแก่พวดทองไล้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีสักต้นเลยไม้ซากนะมันหลังเกียดติคนมันไม่ชอบคนไม่ค่อยมีใครฆ่ามันมันก็ตายไปเห็นพระท่านตั้มต้นหนึงมันตายอยู่อยู่ยแถวกระตีมา บ้านถ้ามาไปหวานมาบ้านนะ่ไม่กล้าเอาลงกลามจะทับแท่งน้ำกูทับกติพระทา่านดาวลงนะจังเกียวอยู่เลยเนื้อไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีแล้วต่อไปคนจะได้นั่งพืชนไม้เนี่ยหายากแล้วนะถ้าบ้านใครนั่งไม้เนี่ยโอ้ยโชคดีแล้วนะเดี๋ยวนี้หลวงตาทรมาปูหัวทัธรรมกกทองแผ่นหนึ่งสีนนะ่ร้ยบาทนะพ่อเี่้ัก สี่ร้อยบาทนะเนี่ยภาษาไปปูนปปทุกหนึ่งก็บร้อยบาทใช่ม น, นี่สี่ร้อยบาทแค่ไหไม่ใช่เล็กน้อยนะนะเนี่ยเราไม่ทัสส้มาชาติ่างเด๋ออยู่นะถ้าภาษาอะไรเถ้าปูนน่ะต่างตาพยายามที่หลีกหลบหลีกการอยู่ว่านปูนนะหนะ้าเมติก็เป็นกติปูน ก็กะเตียนดินเอาเดินทางน้อนกระเตียไม้อาจารย์ทรงสินทำให้อย่างานี้อ่ามันของมีค่าต้ไนไม้ในป่าในมีค่ามาหาที่ใดแล้วไม่มีแล้วจะมาดูแลรักษาช่วยกันจากมือเราห้านิ่ยสิบเนี่ะวมีประโยชน์ช่วยกันเถอะจะไปทำชั่ว ให้ทำแต่ความดีอย่าชิดชั่วให้ชิดแต่เรื่องดีอย่าพูดของชั่วให้พูดแต่เรื่องดีๆในชีวิตของเรานะความดีอันที่เราทําเนี่ยมันจะ ค, อ ค, อค่อยๆเกยไป้ามักกว่า น, นี้พานมันชันก็จะเกยขึ้นว่าทําได้ง่ายความดีนะของชั่วทำํำมาได้เลยความดีก็ก็เป็นบุญเรา นมันเป็นของใครของมันมันแพงกันไม่ได้จึงเป็นของส่วนตัวจำเป็นมากปฏิบัติธรรมนะตั้งแต่มันหลงรู้สึกตัวนะดีมาบากเลยถ้าใครไม่รู้จักเปลี่ยนหลงเป็นรู้ในะผิดพลาด ต, ตั้งแต่ต้นแล้วดอกไฟเสียต้นลมน้ำ พึ่งหยดเดียวเกิดสงครามเลยไม่ขีดก้าเดียวไม่เหมืองทั้งเหมืองได้เพราะความหลงตัวนะ่ะไม่ใช่เล็กน้อยนะยิ่งใหญ่มากถ้ามันหลงเริ่ยไปเรื่ไปก็จะใหญ่ไปความหลงนะแต่เป็นทุกข์เป็นโทษแต่ตัวเองและคนอื่นได้แล้วไม่มีใครเห็นความหลงเท่ากับตัวเราฮนะมีชตีเนี่ยมามาอะไรก็มามาเลย อะไรมันจะมามาเลยถ้ามีสติถ้ า, เ, าเลยทีเอาเลยเอาเลยแฉเอาเลยเอาเลยเจ็บเอาเลยตายเอาเลยไม่ต้อวดแล้วถ้ามีสตินะมันไม่ใช่สติธรรมดานะมันเป็นศินละปะเป็นกีลาไปเลยนะแอบประมาทให้ฝึกตนสอนตนอย่าไปอ้างว่าแฉว่าหนุ่มเป็นทุกคนหลงเหมือนกันหมด คนแจ่ก็หลงคนหนุ่มก็หลงเหมือนกันทุกคนในโลกนี้จึงเป็นส่วนหลวมที่มันสรุปรวมศึกษาเรื่องเดียวเท่านั้นจะไปกันได้ต้อยเรื่องพันเรื่องแก้ปัญหาความหลงแก้ปัญหาทุกเรื่องในชีวิตเราเลยนะาสิ่งที่จะไม่เข็นความหลงต่อหน้าต่อตาคือวิสติ แล้วก็มีเหตุที่แถมไปเกิดหลงไม่เหตุทําให้เกิดลูกคือกายใจของเราเนี่ยต่อมาต้องไปหาอะไรเี่ไหดไปได้อะไรไต่เปลี่ยนความหลงก็อสุดยุหมดแล้วเรามันหลงลูกขึ้นมาแล้วมีความรู้ถูกที่สุดแล้วชอบแล้วลุล่ลงเหาลนแล้วทิศทางมีแล้วเส้นทางเหยียบเลยแล้ว ถ้าเวลามันหลงก็เรียบกับมาทางให้รู้สึกตัวทันทีทุกคนทําได้พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่เราทําได้นะไปอ้อนวอนอะไรรอเวลาได้่วมหลงไม่ได้รอให้เรานัดหวันประกันพุ่งจอวลูกก็ไม่ได้รอให้เราคอยรออะไรเราก็ประกอบกันมาทันที อยู่ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ทุกโอกาสปฏิบัติธรรมเลยถ้ายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่เดีย๋ยวนี้ก็ล่อลอไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้กันควรจะโฆษณาควรจะบอกกันที่อื่นไม่สอนกน็ขอให้พวกเราอยู่ที่่ช่วยกันนาะออกจากที่ไปก็ไปช่วยกันไปทำงานทำงานก็สงออกวันษานล้วอาจะเสกไปก็ไม่ทำความดีไม่เป็นไร ไปช่วยกันทําความดีถ้าบ้านมาหรือเสียนวันพระวันเสียก็ดีกลับไปก็ไปทําความดีมันหลงอยู่ที่หนอยู่ในไร่ในนาก็เปลี่ยนมันลูกบรนตาเห็นลูกมันหลงเปลี่ยนมันลูกโอ้ดีนเฉียงมันจะหลงเปลี่ยนนะมันลูกจมูกด้เขียนลียนในร้างกายสมบัติจิตใจมันคิดมันเปลี่ยนได้ทั้งหมดแล้วไปกลัวล่ะไม่เหมือนธรรมอื่นนะ ทำมาเห็นยังกลัวสิงประกอบส่วนประกอบทำไอยทำหน้ากลัวน้ำฝนน้ำฟ้าทำหลูดการไอ้ในตัวเรามันมันเป็นกเกษตรศาสตร์วิยทยาศาสตร์ง่ายง่ายไม่ายากไม่จนทำได้ทุกโอกาสอย่าลีรอความตาย พรุ่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่ควอมเจ็บเมื่อไรไม่บอกเรอเราต้องเตรียมไว้ให้รล้ไว้รล้ไว้รลไว้ถึงเอาวันเกิดขึ้นมาเฉลยปั๊บทันทีแล้วเห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บเห็นแล้วเห็นก่อนแล้วมันแก่ไม่ใช่เป็นผู้แก่มันตายไม่ใช่เป็นผู้ตายเห็นมันตายอะไรตายมันรู้จัก หลกรู้จักหลีกภาวะไม่ตายก็มีภาวะไม่เป็นอะไรก็มีแนละ้วจนเห็นมันชัดเจนตั้งแต่เห็นความหลงไปแต่ก่อนความหลงยิ่งใหญ่พัดพาเราได้จนไม่มั่นใจมีใจก็ไม่มั่นใจไม่รู้จะเป็นยังไงเราจะเหตุจะใจปัจจัยจะพัดพาไปทางไหนเหมือนโจก ที่ไม่มีลาบอยู่ลอยลอยอยู่ในน้ำพงง ม, มพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นชีวิตเราไม่ควรเป็นเช่นนั้นต้องมั่นคงเสาเขื่อนทิละทึบภูเขาไม่หวั่นไหวถ้าไม่เปิดก็ปลิวมัรลุนเข้ารีบอะไรก็ปลิวไปเลยอรทบนี้หน่อยก็ปลิวไปภูกลังแฝบบางมีไหม ใจมันภูขึ้นดีใจนี้ไหมใจมันแปรลงเสียใจมีไหมนุ่นใจเหมือนนุ่นมันจะมีหลักฐานอะไรเอาให้เหมือนจิลาแทงเทบไม่สื่อการูเขาไม่หวนไหวชินเนี่ยเนี่ยคือไม่ไม่เบียดเบียนตรงไม่เบียดเบียนคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนยศล้างล้างบาง จตกคุณลบ น, นี่เป็นลูกเศรษฐีเศรษฐีเหมือนไปเหมือนกับศีทธะเลยแล้วสนมนอนเลี้ยรลดตื่นขึ้นมาออกจากห้องเห็นเราก็บางทีเังก็หลงเกิดลูกขึ้นมาล่างบางลูกพิกา ว่าไงอ น, นุพิภัตตาไม่ใช่รอให้ฟังหน่อยด้อนุบุพิกัา5ว่าอย่างไงฮะอะไรบอธาอัอานกัตาสาะออกวางออกมันหลงวางหลงมันโกรธวางโกรธวางออกทานจ่าฆ่าออกสตละอารมณ์ ที่เป็นข้าศึกต่อกุศลออกแบนอกจากทานภายในแล้วภายนอกก็แบ่งกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน <c oughs> อยากเห็นเจตัวศีลกระถาสอนอยาจะเดินที่ตอนเช่าดาเ น, นินแล้วนะทานกระถาวัดลงไปเหมือนกับผ้าเพื่อนมา ซักออกทานลงไปชินคาถาให้หลงไปไม่เบียดเบียนตัวเองได้เบียดเบียนคนตา่างคาถาชินคาถากรรมอาเทวะนี่สังกาถาโทษของกรรมอย่าหลงนะรูบลดยินเสียงเพิดเพลินในกรรมมงคลให้รู้จักพอเรียกว่ากรรมอาเทวะกระจามีโทษเหมือนกันนะ หลงไหลในกามก็ไม่โทษกามไม่ใช่เรื่องกามเพศตรงกันข้ามเลยตาก็มีกามหมูก็มีกามจมูกดิ้นกายใจมีกามต่อใจตามมัทิตัยสังกัฏสักขกัฏะเมื่อเบียความจบ ก, ก็หลงไหลในสวรรค์ในความจบก็มีโทษเหมือนกันนะพวกเทวดาพวกสัตว์ที่ในสวรรค์มีโทษเหมือนกันหลงไหล ต้องมาเกิดเป็นนกจึงจะได้ไปสู่มรรคสุพอติจต้องมาเพนดีศักะกะกถาโทษของความสุขอย่าไปหลงดังพระอรุทธะเนี่ยกษัตริย์เกิดปกครองเป็นกษัตริย์แทนพ่อน้องชายของสตโธธนาะลูกของน้องสตโธธนะโกโทธนะ แย่งกันกับพี่ชายจะคของราดสมบัติพี่ก็มหาอะไรอ๋อลทะมหานามะเลยใช่ไหมไม่ใช่เ <c oughs> สองคนแย่งกันให้ให้พี่เอาจะกระสับจัพี่ก็บอกให้พี่ไปแม่อะไรเอาให้น่องจ้ะขนแย่งกันไ่ใช่ น้องชายไลยรับเป็นกษัตริย์แล้วก็ขอขอออกถักข้ากฐามีความสุขอ่านตาเห็นบ้านของของใครละ่ะบังของเจ้าแดงนองรู้จักแดงนองไหมเคยขาย กษัต ร, ร, ริย์พม่าหลงตาไปบ้านเขาไปหวังจูกรง อ, อะไระเมืองอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจา ก, กุ้งเหรอเมืองอะไรตอนเหนก้นไป ไปดูวังของเรีงนองบ้านเรียนองอยู่วังอันนีทางออกไปบ้านเมียน้อยเป็นละร้อยหลังคนนี้ไปหาเมียน้อยคนนี้พปไม่น่าเอาไหมฮะมีอุโมงไปจะ ห, หาเมียคนไหนไปไปหาเจอ สักขะกฐาลงเพลิดเพลินดังไม่พอมาตีไทยไแท้แตกไปอจั ก, กราดตัดคอเลยเพราะอะไรเพราะกามมาที่นวมิราก็รูปมารู้จกพอตอเนี้บังของบุรเรงนองเขาเป็นสถานีรถไฟยึดแล้วเราเลแล้ว <laughs> ที่ประเทศพม่านะ ปาณนั่นนะมันโูภไม่ดูจากเก็บไม่รู้ จ, จะผอมพระเจ้าเห็นยาสากอดซัดลงไปล่างลงไปยาสาวกอดหนูก็เคยมหมสาสลมเลี่ยลาานอนอยู่พเจ้าเทศลงไ ป, ปงก้กางเมตตาภาษาศักกะคาถาโทษก็ไม่นะยาจ๋านะอย่าไปลงนะ เนคขมาในสังสกธาดำรออกสาเนคขมะนิสังสกถาดํริออกจากกามทั้งหลายมัน ok ก็รามเหมือนกันนะยอดจากน้องไปน้องไปน้องไปน้องใจไปน้องใจไปค่อยๆใจเขาสะอาดพุทธเจ้าก็อริสัตถสัตเข้าไปเลยเหตุอะไรสิทุกสมุทัยนู pai, ้นมาก บรรุธรรมรอยาชาคนหมดเป็นพระหลา น, น, นขอบวชตื่นขึ้นมาสาว่างเลยพ่อแม่ตามพระมาเห็นลูกชายหุ่นวายกันออกตามหาโอนูนนอยอกสิปัตนะเห็นลองเท่าจอดอู่ต่างไขไปเห็นนั่งฟังเทศผู้เจ้าอยู่ห่มพ่อพอแม่เข้าไปฟังด้วย เนมลยศัก์ผู้าาเจ้าไปในบ้านของเศรษฐีพ่อของยศกุลบุตรป่องเทศทูเจ้าพร้อมด้วยบริวารพร้อมด้วยปัญญาเก่าแม่เกิดบรรลุธรรมได้เป็นพุทธบริษัทอวสกปอยกาคนแรกในวันนั้นดูสิ ล้างอ่ะเพื่อยอ้องได้ละเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงจรมันมีอันวางได้มันไม่เป็นไรเรียกว่าเนคขม้สังกษัตริออกไม่ใช่นีบาวขก็วเราออก <c oughs> ออกอ อ, ก อ, อ, กอย่ามันหลงอย่าหลงอย่าหลงอมันหลงเนี่ยไม่ดีเริ่มตั้งแต่มีกายเห็นเห็นกายเห็นเวทนาอย่าหลงกลายอย่าหลงเวทนาอย่าหลงจิต อย่าหลงทำแล้วก็ไปอย่างนี้นได้เย็นไหมไม่ใช่หลงตาพูดอย่างนะั้นมันมีสูตรมาอย่างนี้ยสูตรของเรานะเอาอย่างพุณเจ้าเอาอย่างที่พระเจ้าสอนนะ่ะมันเป็นของหลวงพ่อท่านั้นนะี่เราจะไปจนอะไรครับรองแล้ว น, นะนี่มีผู้สอนอยู่ทุกวันนะีเรื่องนี่มีคนสอนอยู่อย่างน้อยก็สุกโตนี่ยังไม่อยู่ หลายที่หลายทางถ้าไม่พากันมาปฏิบัติหลวงตาจะไปอยู่สารัดนี่เจ้าเวลาเราสมาทานฉีนวันหนึ่งคืนหนึ่งเอ้าทำฉีนต่ะ